ที่เขาอยากออกไปแจกต้นพั ป, ป่าด้วยก็เพราะว่ามีอยู่คืนหนึ่งหลวงตาท่านเทศที่สาากลางน้ำอันนี้เขาพูดให้ผมฟังผมไม่ได้ยินกับหูท่านบอกว่าฟังให้ดีนะคนที่ไปช่วยเราแจกต้นพระ ป, ป่าเนี่ยพวกนี้เขาจะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกคนทุกชาติจนกว่าจะได้มรรคผลนิพพานเชา้าขึ้นมาพี่แป๊บจึงมาบอกเฮียโห้ ho, พี่ไปด้วย